พระธรรมกาลเตียบทที่หกตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบมีความว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดไ ด, ได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจถ่อมสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โวยคิดถึงตัวเองเกรงว่า ท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์เพราะว่าถ้าผู้ใดถือว่าตัวเป็นคนสำคัญทั้งๆ ท, ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยผู้นั้นก็หลอกตัวเองทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนเอง จึงจะได้มีอะไรอะไรที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่นเพราะว่าทุกคนที่ต้อนต้องรับภาระของตัวเองส่วนผู้ที่รับคำสอนจงแบ่งสิ่งที่ทุกจงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิดอย่าลกเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดที่หวานอะไรลงก็จะได้เกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หวานในญานเนื้อหนังของตนเองก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หวานในญานพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันตจากพระวิญญาณ น, นั้น อย่าให้เราเมื่อยล้าในการกระทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อหม่จนาขอบคุณพระเจ้านะคะในโอกาสนี้ที่ จะได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจะนะคำของพระเจ้าโดยเฉพาะในเดือนนี้ที่ท่านอาจารย์ศึกษาได้บอกไปแล้วว่าเป็นเดือนที่เราระลึกถึงหรือว่าเป็นเดือนที่เราได้มีโอกาสสำรวจตัวเองจริงๆแล้ววันนี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนานั่นหมายความว่าที่ผ่านมานี้6เดือนคือครึ่งปีเรามาอยู่ที่อาทิตย์สุดท้ายของครึ่งปีนะคะแลวเราต้องมองต่อไปอีก6เดือนข้างหน้า ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วในชีวิตของเราแต่ละคนนะคะเราเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวลำพังของเราคนเดียวเราอยู่เป็นชุมชนโดยเฉพาะชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่เราอาศัยอยู่ที่บ้านหรือชุมชนของคิตตจักรที่เรามานมัสการพระเจ้าทุกสัปดาห์จึงอยากเมื่อเราได้มีโอกาสสำรวจตัวเองแล้ววันนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้สารวจตัวเองและสารวจชุมชนของเราซึ่งเราเป็นสมาชิกอยู่ ทุกวันนี้เรามีปัจจัยในชีวิตของเราซึ่งเรียกว่าปัจจัยที่ห้าคือเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจัยสี่ใช่ไหมคะที่เราใช้เราจําเป็นที่จะต้องมีในการดําเนินชีวิตแต่ปัจจุบันนี้นี่มันมีปัจจัยที่ห้าแล้วก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะเดาได้ว่าปัจจัยที่ห้าในชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยคืออะไรนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือเห็นไหมคะเราพูดเป็นเสียงเดียวกันได้เลยค่ะ มันคือโทรศัพท์มือถือค่ะวันก่อนได้มีสมาชิกทานหนึงเขาว่าในตอนนี้ลืมอะไรก็ลืมได้แต่ถ้าลืมมือถือเนี่ยจะต้องกลับบ้านไปเอามามันกลายเป็นปัจจัยที่ห้าในชีวิตของเราที่เราดำรงชีวิตอยู่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเรา นิตยสาร t ท m e s เมื่อประมาณสปีที่แล้วนะคะได้มีโอกาสเขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับ The m มี e Me, Me Generation ซึ่งเขาเขียนบอกว่าเด็กใน Gen Y Gen Y เนี่ยจะติดสมาร์ทโฟนนะะอย่างงอมแงมเพราะว่าวรายงานชนิดนี้เนี่ยบอกว่าไทามส์เนี่ยเอา บทวิจัยนะคะเอางานวิจัยทางสังคมของสถาบันสุขภาพของแห่งชาติของอเมริกาพบว่าเด็กรุ่นใหม่ในอเมริกากว่า80ล้านคนที่เกิดระหว่างทศวรรษที่ 1,980 ถึงทศวรรษ2 0 0 0หรืออายุ20กว่าปีขึ้นไปนะคะจะเขาบอกว่าจะมีบุคลิกภาพที่หลงตัวเองเป็นอย่างมากหมกมุ่นเรื่องของตัวเอง แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองในสื่อต่างๆอย่างเปิดเผยรายงานฉบับนี้เนี่ยเขาก็สำรวจสารวจโดย connecting world technology ของของ c ิ sco นะคะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของอเมริกา เขาบอกว่าคนในยุคนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนมีความสำคัญต่อชีวิตของเขามากตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนแต่ละวันจะใช้เวลาอยู่กับเครื่องมือสื่อสารเป็นอย่างมากเขาบอกว่าประมาณโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกทุกสิบนาทีเราจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูจริงๆแล้วถ้าเราดูกับตัวเองนี่อาจจะน้อยกว่าทุกทุกสิบนาทีด้วยซ้าสาสหรับคนบางคนในความเป็นจริงแล้วหากเราได้มีโอกาสสารวจในสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น มีโอกาสได้เข้าไปนะคะดูในสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, t w i t t e r Lines, ์สแนปแชตเดี๋ยวนี้จะมี Facebook l i v ใช่หคะหรืออื่นอื่นอีกมากมายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเราอันที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเจนวยัยแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตของเราเกือบทุกคน หลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เราสื่อสารกันน้อยลงจริงๆแล้วเราไม่ได้สื่อสารกันน้อยลงเราสื่อสารกันมากเราสื่อสารกันมากทีเดียวแต่เป็นการสื่อสารแบบไม่ต้องเผชิญหน้าเป็นการสื่อสารแบบแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆจริงๆเราพูดกันมากขึ้นแต่เราพูดกันโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องรู้จัก ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสีหน้าหรือแววตาจริงๆแล้วข้าพเจ้าไม่ได้แอนตี้สิ่งเหล่านี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นคือว่าเทรนในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันส่งเสริมความเป็นตัวตนของคนคนหนึ่งมากขึ้นแต่มันขาดมิติของความเป็นชุมชนขาดการปฏิสัมพันธ์แบบสัมผัสได้เราพูดคุยกันทางโทรศัพท์ หรือเราพูดคุยในโทรศัพท์หรือบางทีเราไลฟ์ใช่ไหมคะเราคุยกับโทรศัพท์ของเราเองโดยที่เราอาจจะละเลยคนที่นั่งอยู่ข้างๆหรือบางทีเรานั่งอยู่ด้วยกันนะคะต่างคนต่างคุยกับอีกคนหนึ่งที่อยู่ไหนก็ไม่รู้อะค่ะแต่เราไม่ได้คุยกับคนที่อยู่ข้างๆเราโลกมันหมุนไปข้างหน้าแล้วมันหมุนไปอย่างรวดเร็วมันเร็วจนไม่มีเวลาที่เราจะทาความรู้จักกับตัวเองจริงๆ และเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับคนอื่นในเชิงลึกด้วยซ้ำชุมชนของเราชุมชนของเราในอนาคตจะเป็นยังไงอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยร้านหนังสือหลายแห่งในอเมริการ้านขายหนังสือนะคะก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าคนหันมาอ่านอ e ีบุ๊กหรือว่าคนหันมาซื้อหนังสือผ่านทางวิธีออนไลน์นิตยสารทั้งแฟชั่นท่องเที่ยวหรืออะไรอีกหลายๆเล่มก็ปิดตัวลงไปหลาย เพราะว่าในทุกคนค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เนต็ตเรานั่งอยู่กับที่ข้อมูลมันก็มาอยู่ในมือเราและถ้าเกิดวันหนึ่งคริสเตียนเราคิดว่าเราอยู่บ้านก็ได้เรานมัสการพระเจ้าแบบระบบออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องเดินทางอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วอาจารย์ก็เทศแบบไลฟ์่ะาอาจารย์ก็จะเทศอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกคนก็อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราลองจินตนาการดู แล้วน า, นาคตข้างหน้ามันกลายเป็นสิ่งท้าทายใหญ่ของคิดจักรเพราะทุกคนอยู่ที่ไหนก็ได้และทุกคนก็สื่อสารติดต่อกันผ่านทางวิธีออนไลน์แม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่เราไม่อาจจะสร้างชุมชนที่เข้มแข็งฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณด้วยวิธีเช่นนี้ได้ mm. เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบผิวเผินเกินไป เป็นปฏิสัมพันธ์ที่คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงมันเกิดจากการที่เราได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่ด้วยกันการได้ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันการรู้จักกันในเชิงที่ลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตและการรู้จักกันฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณกรารเทียบที่5ข้อที่26ถึงข้อที่2 5บถึงบอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โด ย, โดยพระวิญญาณ ก็จงดำรงชีวิตตามพระวิญญาณด้วยอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันอย่าอิจฉาริษยากันในพระวจนะคำของพระเจ้าส่งเสริมให้เราดําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้าและให้พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตของเราฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการให้พระวิญญาณดํารงชีวิตมันก็คือไม่ใช่ดํารงชีวิตเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเลิศขึ้น แต่มันดำรงชีวิตอยู่โดยการที่เราต้องอยู่ด้วยกันและถ้าต่างคนต่างมีพระวิ ญ, ญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราก็จะมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่กระเทียบทที่ห้าตอนปลายตักเตือนว่าเราอย่าถือตัวอย่ายูโทรสยอย่าอิจฉาริษยาและมันส่งต่อในกระเทียบทที่หอาจารย์เปาโลนเน้นภาวะของชุมชนเรื่องของการรับภาระซึ่งกันและกัน การสร้างชุมชนที่แข็งแรงฝ่ายจิตวิญญาณเรามีดัชนีในการวัดความแข็งแรงฝ่ายจิตวิญญาณในชุมชนของเราดัชนีแรกคือชุมชนแห่งการให้โอกาสกาลาเทียบทที่หข้อที่หนึ่งดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยในพระวจนะคมของพระเจ้าไม่เคยซ่อนความผิดพลาดของคนสําคัญสําคัญที่เรารู้จักในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมอับราฮัมก็เคยโกหกว่านางซารานางซารายเป็นน้องสาวเพื่อตัวเองจะได้ปลอดภยัยโดยที่ไม่ได้คิดว่าซารายจะปลอดภัยหรือเปล่าและถ้าเกิด คนในชุมชนนั้นทำผิดต่อซาายมันเป็นความผิดของชุมชนด้วยยาโคบขโมยสิทธิบุตรหัวปีของเอซาวสุดท้ายก็ต้องหนีตายและเกิดความขัดแย้งในครอบครัวดาวิดล่วงประเวณีนางบตรเชบาวางแผนฆ่าสามีของนางและนำนางบตรเชบามาเป็นภรรยาของตนซลโลมอนใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้ สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและนำหญิงต่างชาติมาเป็นภรรยานำรูปเคารพต่างชาติเข้ามาในชุมชนของคนอิสราเอลนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางตอนของบางคนเท่านั้นบุคคลต่างๆเหล่านี้เคยกระทำผิดในสายตาของพระเจ้าและความผิดของเขานั้นเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าให้โอกาสเขาและยกชูชีวิตเขาด้วยอับราฮัมแม้ว่าจะเคยทาผิด แต่พระเจ้านับว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมและท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของความเชื่อยาโคบแม้ว่าจะได้สิทธิบุรหัวปีมาอย่างไม่ชอบธรรมแต่สุดท้ายพระเจ้านำความคืนดีกับมาสู่ยาโคบและเอสาวและยาโคบเองก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอิสราเอลเป็นคนที่ได้รับพรของพระเจ้า ดาวิดแม้ว่าจะร่วงประเวณีและฆ่าสามีของนางบัตเชบาแต่เมื่อผู้เผยพระวจนะแจ้งความผิดดาวิดล้มตัวลงและขอการอภัยจากพระเจ้าและดาวิดก็กลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของท่านซาโลโมอนแม้ว่าจะใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้อย่างไม่เหมาะสมนำความเสียหายที่ยิ่งใหญ่มาสู่อิสราเอลในเวลาต่อมา แต่ในที่สุดแล้วเมื่อท่านกลับใจชีวิตของซาโลโมอนเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สําหรับชุมชนในยุคหลังเขียนพระวจะนะคํำของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตหรือพระธรรมปัญญาจารเพื่อจะให้ข้อคิดในการดํารงชีวิตก่อคนรุ่นหลังเราทุกคนต่างทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราทุกคนจึงไม่มีใครที่มีชีวิตที่ปราศ จ, จากความบาปหรือไม่มีคนใดที่ไม่เคยกระทําผิด ไม่เคยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมฉะนั้นแล้วเมื่อเราพบผู้ใดหรือมันเกิดความผิดพลาดประการใดของคนในชุมชนเรามีหน้าที่ในการตักเตือนหนุนใจให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมกาลาเทียบทที่หข้อที่หนึ่งอาจารย์เปาโลเน้นโดยใช้คำว่าให้เราตัดสินคนเหล่านั้นโดยคิดถึงตัวเองไม่เคยมีไม่เคย ไม่มีใครไม่เคยทําผิดเวลาที่เราทําผิดถ้าเรานึกถึงตัวเราเองขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผูดด้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นนี่คือคําอธิษฐานที่พระเยซูคริส ท, ทรงสอนเราเมื่อเรานึกถึงตัวเราเราจะรู้ว่าเมื่อเราทําผิดเราอยากได้รับโอกาสเราอยากเริ่มต้นใหม่ชุมชนที่มีชีวิตฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณที่เข้มแข็ง จะตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรักและการรู้จักให้อภัยเพราะว่าความผิดของคนหนึ่งมักจะสะท้อนความแข็งแรงของชุมชนว่าชุมชนนั้นๆจะตั้งรับต่อความผิดอย่างไรหน้าทีที่สองคือชุมชนแห่งการถ่อมสุภาพเพราะว่าถ้าผู้ใดถือว่าตัวเป็นคนสำคัญทั้งดั้ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยผู้นั้นก็หลอกตัวเอง ทุกคนจงสำรวจการกระทำของตอนเองจึงจะมีอะไรอะไรที่จะอวดได้ไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นพระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเราเป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงประทาน<ม>เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเริ่มต้นภารกิจของพระองค์พระองค์ทรงครีดหนังสือมว้วนพระธรร์อิสยาและกล่าวว่า พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสระภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ที่ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและได้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้าแล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ และทรงนั่งลงตาของคนทั้งปวงในธรรมสาลาเพ่งดูที่พระองค์และพระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่าคำพีตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านได้สำเร็จแล้วในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่พระเรยซูคริสต์ทรงดงํารงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์ทรงทำให้คำของผู้คาของผู้เผยพระวจนะเป็นจริงเพราะชีวิตขององค์พระเรยซูคริสต์เจ้า อยู่กับคนยากจนอยู่กับคนเจ็บป่วยอยู่กับคนบาปคนเก็บภาษีหญิงโสเภณีและคนเหล่านี้เมื่อได้มีประสบการณ์กับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับความเมตตาที่พระเยซูคริสต์มีให้กับเขาการรักษาโรค ก, การแตะต้องการที่พระเยซูคริสต์ได้แตะต้องชีวิตเขาเขาเหล่านั้นต่างเป็นสาวกของพระองค์บุคคลเหล่านี้พระเยซูตใช้เวลาทั้งหมดของพระองค์กับเขาเพราะพระองค์ทรงเห็นว่า เขาคือคนสาคัญนี่เป็นแบบอย่างแห่งการถ่อมสุภาพและเราควรจะต้องสวมความสอ่อถ่อมสุภาพแบบพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเสมอชุมชนฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าจะมองเห็นคุณค่าของคนเหนือฐานะอาชีพและสถานะทางสังคมถ้าผู้ใดถือว่าตัวสาคัญทั้งนั้นที่เขาไม่ได้สาคัญอะไรเลย เพราะในสายพระเนรของพระเจ้าไม่มีใครสำคัญกว่าใครเพราะเราทุกคนต่างมีความสำคัญที่เท่าเทียมกันในสายพระเนธของพระเจ้าเราทุกคนต่างเป็นอวัยวะของพระกายของพระเยซูคริสต์และทุกอวัยวะนั้นมีหน้าที่และมีความสำคัญในการสร้างพระกายขององค์พ ร, <sempre. S 1> พระเยซูคริสต์เจ้าบางคนอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นแค่คนกวาดพื้นบางคนอาจจะเป็นผู้นา บางคนเป็นคนที่บริการให้การอำนวยความสะดวกแก่คนอื่นหรือบางคนอาจจะเป็นครูสอนทุกคนจงสำรวจการกระทำของตอนเองจึงจะมีอะไรอะไรที่อวดได้ไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นเราทุกคนจำเป็นต้องสำรวจชีวิตของเราเองหน้าที่ของเราที่พระเจ้าให้และมีหน้าที่ในการที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันด้วยท่าที่แห่งความรัก การถ่อมใจหากเราสามารถสร้างบรรยากาศแบบนี้ในชุมชนของพระเจ้าได้เราก็จะสําเดงความรักของพระเจ้าในทุกที่ที่เราอาศัยอยู่นัดชณีที่สามคือชุมชนแห่งการทําดีต่อกันข้าพเจ้ามีคลิปวิดีโอหนึ่งอยากจะให้อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสดูเป็นเรื่องของคนไร้บ้าน แต่มันมีชีวิตที่เราได้ที่เราสามารถที่จะเปรียบเทียบและอยากจะให้เราเปรียบเทียบและลองดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วแต่ละคนมีการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรใช่ค่ะ Hey, hey, knee, man. Really? Hi, how you doing, man? What's up? Man? Can I please have a slice? I'm very hungry. I'm sorry, brother. I can't. Not today. Alright, sorry, sorry for asking. Enjoy your slice, man. No, k excuse me. Can I have a extra slice? I'm hungry. No, no, no. Fuck out of here. Sorry for asking. What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, you know, slices. You want the rest? All right. Here you go, man. All right, take care, buddy. Hello, how you doing? I'm really hungry. And it's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah, you sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. yeah. I know how you feel, man. So much. Well, Mama, get going. Thank you once again. I appreciate it so much. I w a n to being so generous to me. I wanna give you a nice little tip, man. Thank you. God bless you. All right. สิ่งที่เราได้รับในชีวิตทำให้เรามีชีวิตอยู่สิ่งที่เราให้กับคนมันอาจจะสร้างชีวิตของคนอย่าดูถูกใครแต่ต้องช่วยทำให้เขาแข็งแรงขึ้นกระเทียบทที่หข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทาดีเพราะถ้าเราไม่ทอใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้น เมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อคนที่เขาเป็นคนที่ทำคลิปวิดีโอนี้เขาได้มีโอกาสถามไปสอบถามถามถึงสามครั้งต่อคนธรรมดาเหมือนเราที่กำลังทานพิซซ่าอยู่แต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งเลย ที่พร้อมจะแบ่งพิซ z าให้ในขณะที่เขาได้ลองเอาพิซ z าให้กับคนที่เป็นคนไร้บ้านคนเหล่านี้เขาไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอาหารพิซ z ากล่องนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เขาอยู่ได้หลายวันเขาไม่มีความจำเป็นต้องแบ่งก็ได้แต่เมื่อเขาได้รับเขาก็พร้อมที่จะแบ่งให้ ความรักของพระเจ้าพระคุณที่พระเจ้าให้ในชีวิตของเราเป็นของขวัญไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนเมื่อพระเจ้าให้ความรักความเมตตากับเราโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าเราก็ควรส่งต่อความรักและความเมตตาของพระเจ้าโดยที่ไม่คิดมูลค่าเช่นกันการทําดีต่อต่อกันและกันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีไม่จําเป็นต้องแพงด้วยมูลค่า แต่มันจำเป็นต้องแพงด้วยคุณค่าและความจริงใจสังคมทุกวันนี้เต็มไปได้วยความเกลียดชังอยู่แล้วพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจให้เราไม่ท้อใจในการที่จะทำดีต่อกันและกันให้แม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรตอบแทนหากเราได้มีหากเราสังเกตเวลาที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคนที่เจ็บป่วยหรือบริจาคสิ่งของให้แก่คนที่เขาด้อยโอกาสคนที่เขาขาดแคลนหรือคนที่เขาขัดสน ใจเราจะพองโตเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราจะไม่ได้รับอะไรตอบแทนฉันให้เราทำดีต่อ ก, กันและกันโดยที่เราไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนเพราะการทำดีต่อ ก, กันและกันเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มเข้มแข็ ง, ข ง, ขงฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณด้วยดัชนีทั้งสามประการเป็นตัววัดความเข้มแข็ง ของชุมชนฝ่ายจิตวิญญาณและสิ่งเหล่านี้เองจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนในความเป็นจริงแล้วดัชนีทั้งสามอย่างให้เราได้นำกลับมาแล้ววิเคราะห์ในชีวิตของเราเองเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นได้หรือไม่ให้โอกาสคนอื่นได้หรือไม่มีชีวิตที่ถ่อมใจและเรามีความปรารถนาอยากที่จะทาสิ่งที่ดีต่อกันหรือไม่ เพราะเราทุกคนเป็นเหมือนต้นไม้หนึ่งต้นถ้าจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งเหมือนรากที่หยั่งลึกลงแต่ต้นไม้หนึ่งต้นอาจจะไม่สามารถต้านทานแรงเชี่ยวกราดของน้ำได้แต่ถ้าต้นไม้ทุกๆต้นในป่าแข็งแรงและหยั่งรากลึกน้ำที่เชี่ยวกราดมันก็อาจจะสามารถ ต้นไม้ทุกต้นที่แข็งแรงจะช่วยลดแรงเสียดทานของน้ำที่เชี่ยวกระได้ทำให้เกิดความเสียหายน้อยลงการรู้จักตัวเองในเชิงลึกมีประโยชน์และการส่งเสริมซึ่งกันและกันให้รู้จักตัวเองและอย่างรากลึกในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมีความแข็งแรงของชุมชนหากเรารู้จักสำรวจและมองผ่านชีวิตของตัวเอง มองผ่านภาพที่เราสร้างเข้าไปสู่ตัวตนที่อยู่หลังฉากมองลึกเข้าไปสู่จิตวิญญาณของเราเองเพราะนี่คือแก่นนี่คือหลักในการดำรงชีวิตและเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีคุณภาพดังนั้นภารกิจในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมันจึงเป็นภารกิจของเราทุกคนความเข้มแข็งและความอ่อนแอของพี่น้อง ของพี่น้องในชีวิตคริสเตียนของเรานั้นก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยและไม่ได้เป็นภาระของพระเจ้าอย่างเดียวที่จะต้องทำงานในชีวิตของเราแต่เป็นภาระของกันและกันที่เราจะส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เติบโตขึ้นและอย่างรากลึกลงในล ง, ลงในพระเจ้าคริสเตียนเข้มแข็งหนึ่งคนก็ดีแต่ถ้าคริสเตียนทุกคนเข้มแข็งและเติบโตขึ้นในพระเจ้าเราจะสร้างชุมชน เราจะเปลี่ยนชุมชนและเราจะเปลี่ยนสังคมและสังคมนี้ก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าให้พระพรค่นะ